สวัสดีค่ะที่เพฟังที่ครบค่ะเวลาที่จะมาพบกันแล้วนะคะในเช้าตรู่ของวันนี้ก mm ับรายการสรันสีสนทนาดิฉันสันสีนาคมเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็จะสนทนากับพระมหาภัยบุญอภิปุณูณ์จากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะกันแต่เช้าเลยจะได้ดำเนินชีวิตกันอย่างมีที่พึ่งที่ถูกต้องคือพึ่งตนพึ่งธรรมดังที่พระพุทธองค์นั้น ได้ตัดเอาไว้นะคะว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือพึ่งตัวเองแต่จะพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งทำเราไปกราบนวสการ์มหาภัยบุญอภิปุณโญค่ะนวสการ์ท่านคะเชียงบานค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นวันดี ม, มีวันไหนไหมคะที่เป็นวันไม่ดีวันไม่ดีเนี่ยคือวันที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีวันนั้นเนี่ยเป็นวันไม่ดี เพราะฉะนั้นถามตัวเองนะคะท่านฟังว่าในขณะนี้เราคิดอย่างไรอืคิดดีไหมประพูดดีไหมเราทําดีไหมคนบางคนเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าทําให้วันของตัวเองไม่ดีนะคะเพื่อแผลให้คนรอบข้างด้วยลำ <laughs> พังแค่คิดไม่เท่าไรคะ่ะแต่ว่าพูดเนี่ยค่ะท่านคะใช่ดิฉนันว่าคําพูดเนี่ยเหมือนอาวุธจริงๆอืงถูกต้องมันเป็นสามารถทิ่มแทงกันได้ นะคะบางทีบางคนบกไม่ได้ทำอะไรนี่แต่ไอ้ที่พูดนั่นแหละสำเร็จความความาเดือดร้อนใจของคนข้างๆแล้วดังนั้นเรามาทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีกันท่านคะแต่บางทีนะคะคนดีๆก็หดหูใจบางเรื่องดิฉันมีเพื่อนเนี่ยเขาก็ส่งข้อความเข้ามาเหมือนกับเศร้าใจเขาบอก น่าสงสารโรฮิงญาจังค่ะไวเรือกลางทะเลสามเดือนแล้วแบบนี้ตฐานคนให้เราทำอย่างไรคะท่านอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวในทานองเศร้าหมองมากนักนะคะต่ต้องกราบเรียนท่านว่าเรื่องโรฮิงญาเนี่ยเป็นกระแสสังคมที่ก็ถ้าจะแบ่งเป็นสองความคิดใหญ่ๆและความคิดที่ดูเหมือนแรงมากมาแรงก็คือมีความรู้สึกว่า ปฏิเสธว่าพวกโรฮิงญาเป็นบุคคลที่ควรช่วยเหลือว่าเป็นภาระของประเทศแล้วก็ก็มีพูดถึงคนที่เปิดประเด็นนี้เหมือนกับว่าให้เราดูแลเขาด้วยเนี่ยจะถูกโจมตีไปต่างๆนานากับก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งจะแสดงความคิดเห็นว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกัน นะคะมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมทําไมจะช่วยกันเบื้องต้นก่อนไม่ได้ก่อนที่จะให้านานาชาตินะคะได้ช่วยกันคิดซิว่ามันมีมนุษย์บนโลกที่สามเดือนแล้วลอเเยเลยอยู่กลางทะเลใกล้แผ่นดินฝั่งไหนแล้วก็ผลักดันให้ออกมามหรือกลายเป็นเหถื่อในเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างที่เราพบในบ้านเรานะคะแต่ว่านแปว่าจะคลี่คลายในประเด็นที่อย่างเพื่อนคนที่เขารู้สึกว่า ถ้าจะใช้คำหนักก็ต้องบอกหน้าสมเทศนะคะคนอะไรทำไมเกิดมาแล้วต้องเป็นแบบนี้ถูกรังเกียจถึงขนาดนี้ไม่มีแผ่นดินที่จะยืนแบบนี้ถ้ามองแบบธรรมะของพระพุทธองค์ตถาคตเนี่ยคะ่ะให้ทำยังไงหรือว่ามองเ็เป็นอย่างไรโอเคถ้าในในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านจากมุมมองของผู้ศึกษาธรรม ะ, ะในเหตุกา ร, รณ์ปริเด็นเรื่องของโรงหินญาเนี่ย สิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาได้ก่อนในอันดับแรกคือเราต้องปฏิบัติตามมรรคให้ได้ก่อนแต่ตามมรรคนี่หมายความว่าอริยมรรคมีอยู่นะเช่นถ้าเบิดว่าเรามีความคิดที่ไม่ดีในคิดเกลียดเขาอย่าไม่อย่าให้เขาเข้ามามีความพยาบาทมีความที่อยากให้เขาชีพหายไปไม่ดีไปอันนี้เป็นมิจฉาสังพท์นะอันนี้เป็นมิจฉาสัพท์อย่าทำมันไม่ดีและอย่าคิดออกนอกมรรคหรือถ้าเบิดว่ามันขนาดว่า เป็นความดําริจนกระทั่งปากขยับนะปากขยับด่าว่าเขาด่าว่าพวกที่สนับสนุนเขาเช่นว่าถ้ามีคนสนับสนุนมาให้ทําอย่างนี้แต่ว่าเขาเราไม่เห็นด้วยกับเขาก็ด่าคนนั้นด้วยนะนนี้ก็เริ่มเป็นมิจฉาว่าจะไม่ดีอันนี้อย่าทําอย่าทําเพราะว่ามันจะทําให้มีความขัดแย้งกันภายในพูดจาไปแล้วมันก็จะเป็นคําสอเสียดกันยุยงคนนั้นให้ไปแตกจากพวกนี้มันจะมีปัญหาเยอะแยะต่างๆตามม า, เ, าเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกัน แล้วก็อย่าคิดเป็นมิจฉาสังกปะอย่าพูดเป็นมิจฉาวาจาแล้วก็ให้อยู่ในกรอบตรงนี้ให้มีสัมมาสังกปะให้มีสัมมาวาจาทีนี้พอมีสัมมาสังกปะก็ ค, คือคิดไม่ปัญาบาตไม่เบ็ดเบียนละมีสัมมาวาจา ก, ก็ไม่พูดยุยงให้แตกกันละผู้ใจที่มันจะสมัครสมานสามีขี่เอาแล้วจะช่วยเหลืออย่งไรได้บ้างก็ต้องมาดูที่ว่าเรามีความสามารถอย่างไรนั่นถ้าเราจะพูดถึงการแบ่งจ่ายงบประมาณเนี่ยเพราะว่า เรื่องนี้แน่นอนมันมีการจ่ายงบประมาณมาเกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าพูดที่จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการแบ่งจ่ายแล้วว่าเงินส่วนไหนใช้ทําอะไรเราอาจจะช่วยได้บ้างในเงินส่วนที่เราได้สํารองเอาไว้อันนี้ก็ช่วยในระดับที่เราช่วยเหลือได้อันนี้ก็ควรช่วยได้เพราะมันจะต้องมีงบประมาณส่วนนั้นอยู่แล้วเหมือนอย่างว่าคุณยมติ๋วเนี่ยได้เงินเดือนม า, อาแบ่งส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนนี้ไว้สําหรับให้เปล่าส่วนนี้ไว้สําหรับทําบุญ ส่วนนี้ไว้สําหรับเก็บไว้ในยามยากนะก็จะแบ่งส่วนนี้ถึงจะถูกต้องแล้วถ้าบอกว่าเงินในส่วนนั้นมันหมดแล้วก็คือจบไปก็คือช่วยได้แค่นี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นให้เราวางจิตนะให้มีเมตตากนนันในกรณีนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้ออกไม่ให้ออกนอกสัมมาสังกปะไม่ให้ออกนอกสัมมาวาจาเนี่ยจะต้องมีเมตตากันที น, นี้พอมีเมตตาแล้วมีกรุณาในการช่วยเหลือแล้วถ้ามันหมดแล้วจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอุเบกขาด้วยอุเบกขาก็คือความที่ วางเฉยความที่ไม่ให้จิตของเราไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลแต่คนจะพูดมายังไงยังไงเราก็ให้มีอุเบกขาอย่าให้จิตเราไปอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่2คือในเรื่องของการที่เราจะแบ่งจ่ายงบประมาณประเด็นที่3เนื่อของการบางจิตแต่นี้ว่าถ้าเรามาดูนะดูอย่างกรณีองโรฮิ尼亚ที่มีคนจะวิเคราะห์ว่าไอ้ทําไมไม่มีชาติไหนที่ต้องการเขาเราจะมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในล่านี้เช่นอย่างเนปาลนี้เป็นต้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยก็มีคนได้รับความเดือดร้อนแต่ทุกคนก็แห่กันไปช่วยใช่ไหโดยเฉพาะยิ่งคนไทยเนี่โอ้ตั้งกองทุนบริจาคเพื่อช่วยเนปานลนะบางทีก็ส่งพระไปอะไรต่างๆไปช่วยกันแต่ว่าสําหรับโรฮิง ญ, ญาเอ๊ะทำไมไม่มีคนตั้งกองทุนหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าคนบริจาคอาจจะไม่ได้มากเรา อ, อา จ, จริงไม่ได้ยินข่าวะนะนี่มันก็เป็นเรื่องของกรรมด้วยเหมือนกันนะคุณโยมติวนะว่ า, าแต่และคนก็อาจจะมีผัสสะคือเราเห็นเหตุการณ์นี้ทำไมเราไม่คิดอยากช่วย ทำไมเราเห็นเหตุการณ์นั้นเราคิดอยากช่วยขึ้นมาะนะเบอั์นิมเป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะเลยกรรมในคือผัสสะอยู่แล้วนผัสาสาเป็นเหตุให้เกิดกรรมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้สร้างบุญกุศลตรงส่วนนี้เอาไว้ทําให้ไม่ได้มีคนอยากช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ย ค, <ๆ S 2> คงจะเป็นลักษณะคนที่อยากช่วยเหลือเขาก็มีแต่จะมีอยู่น้อยในขณะที่กลุ่มอื่นที่เขาได้รับความเดือดร้อนเอ๊ะทําไมคนอยากช่วยเหลือกลุ่มนั้นมากกว่า นนี่ก็เป็นบุญกุศลที่อยู่ที่เขาสั่งสมมาด้วยน ะ, <Okay. S 1> ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในประเด็นที่4ี่ก็มีจุดที่เราจะมองได้ก็คือว่าถ้าเราเห็นคนที่ได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนที่เป็นทุกขตาบุคคลเนี่ยทุกขตาบุคคลนี่คือคนที่ได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าให้มองอย่างนี้ด้วยว่าให้มั่นใจเลยให้มั่นใจเลยว่าในตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏนี้เราก็เคยได้รับความทุกข์แบบเขาเนี่ยเหมือนกัน ให้มั่นใจเลยคในในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามถ้าเราเจอคนที่มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเนี<ม>่ยสุขสมหวังอย่างนี้มากเลยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรื อ, อยอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มั่นใจเลยว่าเราก็ได้เคยเจอความสุขอย่างนั้นเหมือนกันค่ะงั้นในประเด็นนี้ถ้าจะพูดถึงว่าสําหรับคนที่ได้เห็นได้รู้แล้วเกิดความรู้สึกหดหูในจิตใจมันเศร้ามันสมเพสมันสังเวชอย่างนี้หรือว่า อาจจะมีความรู้สึกว่านะ ม, มันน่าสมน้หน่าจริงทําเวียนทำกรรมอะไรมาละสิถึงได้มาเป็นแบบนี้เราต้องให้เข้าใจด้วยว่าตัวเราเองเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเหรอคะถูกต้องถูกต้องเคยเป็นมาอย่างไัคืออันดับแรกก่อนเราต<ถ>้องอยู่ในมาก่อนนะรรคะระถูกต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นคนที่มือท้าไม่สมประกอบได้รับ ค, ความทุกข์อย่างต่างๆเป็นทุกขตาบุคคลณเอาขณะว่ามือด้วนแขนด้วนนั้นได้รับความทุกข์อย่างต่างๆให้มั่นใจถึงความลงใจได้เลยว่า ตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัตนี้เราก็ได้เลยเคยรับความทุกข์อย่างนี้เหมือนกัน อ, อันนี้เป็นบุตรบทถ้าสมมุติจะเปรียบเทียบเอาแบบถ้าอย่างเห็นมือเท้าไม่สมประกอบหรือว่าคนที่มีทุกข์ในลักษณะที่เห็นแล้วเรารู้สึกสมเพศก็แบบหนึ่งนะคะแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้สมเพศะลรมากแต่เหมือนเราอยากจะไม่ชอบกาด้วยดูถูกเยดยาม สมมุติว่าจะว่าใครสักนค น, น, นตัวเตี้ยมากเราบอกเฮ้ไอเตี้ยเนี่ยสมมุตินะคะออือเรื่องเดียวกันมาแค่เนี่ยอันนี้ต้องมีสองสเต็ป่ยตรงนี้ ค, คือสเต็ปแรกเนี่ยเราเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะเรากมันก็แยกเป็นสองอย่างคือคนที่เห็นแล้วเกิดความสุขสังต์เวทสองคนที่เห็นแล้วเกิดความสมน้ําหน้าก็เรียกว่าแบบซ้ําเติมเข้าไปสามคือคนที่เห็นแล้วมีความเศร้าโศกเสียใจในสาประเภทนี้นะทำไมอามา ถ, ถึงแบ่งสาม เพราะว่าประเภทที่2และประเภทที่3าเนี่ยเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นประเภทที่สองก็คือสมน้ำหน้าเขามันก็จะเริ่มมีมิจฉาสังกปะมีมิจฉาวาจาอันนี้ไม่ถูก <vation. S 2> คุณอย่าไปคิดในข้อที่สองนี้ในข้อที่3ามที่เรามีความเสียใจเริ่มให้ร่ําคกรวนตัวบกชกตัวอันนี้คุณก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณถูกความเศร้าความทุกข์นั้นครอบงำแล้วก็ว <ๆ S 1> <Pierre. S 2> อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เป็นแบบแรกแบบแรกคือความสลดใจหดหู่ใจนะความสลดใจความหดหูใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับความ ร่ำให้คร่ำครวญุู้บกชกตัวนะค่ะมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่ร่ำให้คร่ำครวญตู้บกชกตัวเนี่ยเขาเขาคือจิตเขาแตกในเห็นผัสสะแบบนี้ไม่ไหวแล้วจิตแตกฉันร้องไห้ออกมาก็มันมันจะไม่ต่างอันกับข้อที่2ข้อที่2นี่ก็คือกราฟักระเฟียดแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏาสองประเด็นนะข้อที่1คือร่ำให้คล่ำครวญตู้บกชกตัวนะ น, นี้คือที่จะมาพูดเมื่อสิบคู่นี่คือข้อที่3ามนะข้อที่2ก็คือ โ ก, โรกรธกระฟัดกระเฟียแยสแดงความโกโรธความขัิดขึ้งความไม่พอใจสอ2และ3นี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้เป็นข้อที่1ก็คือให้มีความสลดสังเวชนะให้มีถึงความสังเวชให้ถึงความต้องร้อนใจแหล ว, ว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งความสลดสังเวชนี่คือสเต็ปที่1คือพอเรารู้สึกว่าเราสลดสังเวชสลดสังเวชไม่เหมือนกับร่ำให้คร่าครวญนะสลดสังเวชนี่มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าโอ้โหมันทำให้เราต้องระลึกถึงความดีเอาว่างั้นนะ แต่ในขณะที่คนที่ร่ำไห้คล้ามครวญเนี่ยเขาจะจมปลักอยู่ในความทุกข์แต่คนที่สลดสังเวชเนี่ยจะนึกถึงความดีว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ฉันต้องทําความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือสเต็ปที่2ไงที่พอเรารู้สึกสลดสังเวชแล้วเนี่ยก็ยังมานึกถึงธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านึกออกนึกไม่ออกไม่รู้แต่นึกถึงธรรมโมไว้ก่อนยังมีธรร ม, มานุสตอนน <S 1> <S 1> นะิอันนี้ดีมากนะอันนี้ดีมากแสดงว่าคุณเนี่ยจิตใจเนี่ยมีธรร ม, มานุสติตั้งอยู่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วจึงระลึกถึงธรรมะ ค่ะอันนี้เพราะอะไรเพราะความสลดสังเวชทาไม่ระ ล, ลึกถึงจิตเล่นมาในดังนี้ก็ก็จึงเท่ากับว่าในกรณีที่เกิดแลวเห็นแล้วเกิดความรู้สึกสลดสังเวชขอให้รู้ว่าเราก็เคยถูกเห็ น, นแล้วหน่าสลดสังเวชเช่นเดียวกันเราจึงต้องพยายามพาตัวเอง มีไปจากจุดนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกงี้บอกว่าในท้ายพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะน่ายจากสังการทั้งปวงเพื่อความกายกําหนัดเพื่อความหลุดพ้นนั่นคือทําให้หลุดพ้นได้จากสังสารวัตรตรงนี้มันพอแล้วให้ระลึกถึงไว้ตรงนี้ให้ดีเลยว่าอย่างนั้นอ๋อค่ะอันนี้เรื่องใหญ่คือเหมือนกับว่าถ้ามองแบบวพระเถรองเนี่ยก็คือให้มองแล้วต้องคิดถึงเหตุหลักเลยถูกไหมคะใช่ไปไกลเลย ค, คือคิดยาวไปเลยว่า ต้องทำอย่างไรให้พ้นไปจากสังสารวัตคือการเวียนว่ายตายเกิดถูกต้ตองแล้วมันค่อนข้างแน่นอนถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตอยู่อีกยาวกานนานไกลเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าะะที่ผ่านมานั้นเป็นไปแล้วอื ม, อมแล้วถ้าหากว่าอันนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้จากตัวอย่า ง, งเหตุการณ์โรฮิงาแล้วก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างเช่นอย่างแรกให้รู้ก่อนว่าต้องมีสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคะใช่ ไม่มีความคิดการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนกับเขาและอย่างถัดมาก็คืออการมีท่าทีที่ถูกต้องวาจาก็อย่าไปกล่าวร้ายอืมนะคะอะความการกระทําก็อย่าออกไปในแนวที่ไม่ดีกับขอให้รู้เถอะว่าเราเองก็ต้องดิ้นรนขนขวายเช่นเดียวกันจากตัวอย่างนี้ไม่อย่างนั้นมีสิทธ์เจอแน่ใช่ แล้วตรงนี้เราจะอาจจะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าความเกลียดเนี่ยทาให้เกิดความรักก็ได้นะเช่นว่าถ้ากลุ่มที่เขาชอบโรฮิงญาแล้วเราไม่ชอบโรฮิงญาเนี่ยเราก็จะไปเกลียดกลุ่มนั้นเข้าหมคือทําความรักเนี่ยความเกลียดทําให้เกิดความเกลียดในลักษณะนี้แต่ถ้าเรากลุ่มที่เขาเกลียดโรฮิงญาแล้วก็เกลียดโรฮิงญาเราจะทำให้เกิดความรักในกลุ่มนั้นอันนี้ความเกลียดทําให้เกิดความรักอย่าน อันนี้ดิฉันเข้าใจว่าเป็นปัญหาของสังคมปัจจุบันเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่คุ้นเคยกับสังคมต่างประเทศยกตัวอย่างได้กับสังคมไทยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆจะมีอาการที่เกิดความเกลียดจากความรัดความเกลียดจากความเกลียดอย่างที่ท่านพูดเนี่ยเพราะทุกวันนี้ในเรื่องฮูโรหิงยาก็เป็นเช่นนี้อยู่ใช่มันก็จะเริ่มแบ่งกลุ่มกันแล้วในประเทศไทยเองก็ตามใช่ไหมใช่ค่ ะ, คะแล้วก็ทําให้หมางใจกันเองออเหมือนกับมาเห็นเพื่อนแสดงความเกลียดชงังโรหิงยา เราก็มีความรู้สึกถ้าไม่ไม่คิดเหมือนเขานะคะเราก็มีความรู้สึกเพื่อนฉันเป็นไปได้ยังไงจิตใจช่างไม่มีเมตตาแต่ถ้ า, มาสมมุติว่าเขามีเมตตาแล้วเราไม่เห็นว่าจะต้องเมตตาแบบเขาเราก็มีความรู้สึกว่าอืมมันเป็นคนที่เขาเรียก อ, อะไรหนะน้ามันไส้ <c oughs> อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยทาไมไม่ไปอุปถัมภ์โลหิงยาสักคนสองคนก็เลยเกิดความเกลียดขึ้นมา จากความเกลียดตรนนี้ทีนี้ว่าถ้าเผิดว่าเรามีจิตที่มีเมตตามีอุเบกขาอย่างที่ว่าไปเนี่ยเราจะไม่ได้เกลียดคนที่รักโรฮินยาหรือเกลียดคนที่เกลียดโรฮินยาเลยเราจะข้ามล่วงเจ้าพวกนี้ไปได้หมดเราก็จะมาทรงอยู่ในอะไรก็ทรงอยู่ในสัมมาสังกปปะทรงอยู่ในสัมมาวาจาได้ถ้ามีโอกาสที่ช่วยเหลือเอาก็ช่วยเหลือไปอย่างอาตมาเนี่ยเขามีโอกาสเปิดให้สําหรับช่วยเหลือคนที่อยู่ในป่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย เราเรามีปัจจัยเสียงควรแก่สําธิจะบริโภคอาหารมิตรภาพาบางทีเราก็ช่วยใบยอย่างเงี้ยค่ะแตนะ่ถ้ามีโอกาสเปิดเราก็ช่วยได้ในกรณีต่างๆถ้าเราต้องการนะค่ะนะค ะ, ะก็จึงเอามากราบเรียนถามท่านนะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อย่างกับคําถามตรงๆของเพื่อนที่ฉันบอกว่าตถาคตอ่ให้ทําอย่างไรคะเนี่ยก็คือว่าให้เดินมาร์กถูกไหมคะถูก ต, ต้องอันนี้เราต้องทรงอยู่ในมาร์กไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจล่ะอันนี้ก็ที่หนึงให้ตั้งไว้เลยค่ะ ท่านคะแล้วอย่างที่ท่านบอกเดินมักเนี่ยในกรณีที่บางคนก็มีความรู้สึกว่า้เวียน่าวตายเกิดเนี่ยพูดยังไงนะก็ฟังแล้วรู้นะว่าความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือบางศาสนาก็อาจจะเชื่อแบบนี้ว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตา ย, ตายแล้วเกิดเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มันไกลเกินไปมันต้องคิดไปแทบจะไม่ถึงหรือว่าถ้าจะไปให้ปฏิบัติถึงการหลุดพ้นก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้แต่กลัวค่ะท่าะ แต่กลัวที่จะต้องไปเกิดเป็นแบบพวกเขานาะสิ<ต>ที่ตรงนี้แหละที่ว่ากลัวเนี่ยหมายถึงว่าคุณกลัว ค, คุณกลัวบาปใช่ไหมคือกลัวความที่มันไม่ดีความที่มันเป็นบาปแล้วจะต้องไปตกอยู่ในสถาน ก, การณ์แบบนั้นอันนี้คือความกลัวบาปความละอายต่อบาปนี่คือฮิริโอตปาปะอยู่แล้วดีแล้ว ค, คนที่มีฮิริโอตปาปะเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาต่อไปคือการปฏิบัติ เพราะนั้นจึงต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณหยมติวพู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะชี้บอกว่าเอานักเมื่อคุณมองไม่ทันใช่ไหมคุณมองไม่เห็นคิดไปไม่ถึงใช่ไหมนี่ฉันชี้ให้ไปทางนี้แต่ว่าการที่คุณมีหรืออัตตาเนี่ยดีแล้วมันเป็นจุดรเริ่มต้นทางนี้ไปทางนี้นะไปตามทางมร์นี่คิดดีพูดดีทดําดีให้มีสีสมาที่ปัญญาคุณไปแล้วคุณจะถึงได้อย่าพึ่งท้อแท้ท้อถอยว่ามันจะไม่ถึงมันถึงได้ก็จึงต้องมีผู้ที่มีวิสัยทัศน์คือพระพุทธเจ้า แล้วว่าแค่เนี้ยพออยู่พออยู่พอแล้วเพื่อจะนายเพื่อใครกำหนัดจากสังสารวัตพอได้เพียงพออยู่นะคะอก็เหมือนกับว่าขอให้เชื่อแล้วก็ลองปฏิบัติไปแล้วกันสําหรับอะไรนะคะศีลสมาธิปัญญาใช่ใตามทางนี้แล้วก็คนที่มีฮิริโอตัปาเนี่ยคุณยมติวมีเป็นข้อดีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วจิตใจเขาเหมือนกับมีถ้าเป็นเปรียบเป็นเมืองก็คือมีครูล้อมรอบ คู่ล้อมรอบนี่ก็คือป้องกันค่าศึกที่มันจะเข้ามาแตงว่าจิตใจเนี่ยเรามีเหมือนกับนาฬิกาปลุ ก, กค่อยเตือนเราเฮ้ยเคุณคุณดูนี่สิมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วทําอะไรล่ะก็ทําตามมักรอันนี้จึงมีคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายในเรื่องนี้ด้วยค่ะทีนี้ออีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามท่านคือถ้าถ้าสรุปเรื่องนี้คิดว่าคงไม่ต้องสรุปแล้วนะคะฟังแล้วก็เข้าใจว่าไปเดินมกักรอเข้าแล้วกันอืแล้วก็มีท่าทีที่ถูกต้องเพราะว่า การที่เรามีทา่าทีไม่ถูกต้องหรือเราไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติตามคําสอนของพระตถาคตเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราต้องมีความทุกข์ไม่แตกต่างไปจากโรฮิงายาทั้งๆ ท, ง ท, งที่เรามีชีวิตนี้ขณะนี้ก็ เ, เป็นได้เ อ, อเาล่ะ ด, ดูสถานการณ์สมมติ uses, นี้เกิดมายกตัวอย่างนะคุณยมเตียวใช่ไหมถ้าสมมติรัฐบาลไทย Take A คชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะทําอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุตินะสมมติแล้วเราเป็นทิศทางที่เราไม่ชอบทิศทางที่เราไม่ชอบเช่นว่า ถ้าพวกที่รักโรฮิง ญ, ญาแล้วปรากฏรัฐบาลไทยไม่ช่วย<ะ>เขาก็จะไม่ชอบใช่ไหมพวกนี้ก็จะไม่ชอบหรือถ้าพวกที่เกลียดโรฮิง ญ, ญาไม่ชอบโรฮิงญาแต่รัฐบาลไทยดันไปช่วยเขาก็จะไม่ชอบโอเคนะเขาก็จะตรงข้ามกันสองฝั่งนี้ทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่ามีการกทำเดทแอคชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ชอบหรือเราชอบความชอบไม่ชอบเนี่ยคุณไม่ควรจะต้องทําให้มีไงเพราะมันจะไม่เกิดความเกลียและความรักตามมา<ะ>เราต้องวางตัวนี้ได้ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ได้ แเราก็จะต้องส่งอยู่ในมัคให้ได้แหะแน่นอนว่าบางทีความเห็นมันก็แตกต่างกันแต่เราเอามัคเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นหลัก่อย่าพูดให้เกิดแตกกันอย่าให้มีใจคิดอาฆาตปัาบาดมาดร้ายแต่บางทีการตัดสินใจบางอย่างมันก็ ก, ก็ตามนั้นนะ่ะเราก็ทําไปเนาะคือดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะมนุษย์เราเนี่ยต่อให้ฝึกสติยังไงนะดิฉันว่ามันก็ยังเหลือเหลือนิดนิดนะคะที่จะเป็นไปตาม ความรู้สึกของตัวเองที่เกิดจากผัสสะใช่ไหมคะทีนี้มันเหมือนกับต้องเห็นโทษอะคะ่ะของการที่ถ้าเรานะปล่อยไปไม่ชอบสมมตินะคะอปล่อยไปชอบไปพึงพอใจอย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียอย่างไรอันนี้ขอกราบเรียนถามอีกสักอย่างได้ไหมคะ ค, คือจะทําให้จิตของเราเนี่ยสั่งสมไม่อารมณ์พวกนี้เอาไว้สั่งสมสิ่งที่เป็นอัศวะสั่งสมสิ่งที่เป็นของหมักดองสั่งสมสิ่งที่จะทำให้จิตเราเศร้าหมอง เราสะสมความชอบความไม่ชอบตรงนี้เอาไว้จิตเราก็จะเศร้าหมองเรื่อยๆเศ้าหมองเรื่อยๆพ อ, อถึงจุดหนึ่งมันอาจจะระเบิดได้จุดหนึ่งมันอาจจะแสดงสิ่งที่เป็นอกุศลออกมามากมันก็จะทําให้เราไปในที่ที่ไม่ดีอันนี่จะส่งผลกับตัวเรามากๆเลยค่ะคือดิฉันยังคิดว่าถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆคือคําว่าไปไม่ดีไม่ต้องไปรอชาตินี้ชาติหน้าขณะเนี้ยจิตเราไม่สบายใ่เราหงุดหงิดนะคะอันนี้นี่แหละคือผลที่ไม่ดีละถูกต้องแล้วผลจากการ หุดงิดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะับท่านบางคนเนี่ยหูดงิดนิดนึงโอเกิดแตกหักเสียหายล้มตายก็มีติดคุกค่ะกอนน็อันนี้ก็คือข้อที่ว่าเขาสั่งสมสิ่งที่ดีไม่ดีเอาไว้อย่างไรทำให้การตอบ Snow Mine สนองออกมาในลักณะที่ถ้ามีการเบียดเบียนมากก็จะมีผลที่ทำให้จิตเขาไม่สบายอย่างมากหน่อยค่ะค่ะท่านฟังค่ ะ, ะก็คงจะพอสมควรกันไปสาหรับวิธีที่ เราศึกษาว่าพระพุทธองค์ท่าทีของลูกศิษย์พระพุทธองค์เนี่ยควรจะทำอย่างไรกับกรณีนี้ทีนี้ผ่านมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านคะนก็อยากให้ได้ปัญญาเหมือนกันทั้งที่จริงเนี่ยเรื่องเนี้เป็นเรื่องทอกออสเตรเลีกล่าวขานกันทั่วไปหมดที่ฉันเชื่อว่ากล่าวกันไปอีกนานจากการที่มรณาภาพของพระเทศวิทยาคม<อ>หรือว่าหลวงพ่อคูณนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุที่คนไทยเคารพมากเนี่ยเแล้วทุกคนก็ประทับใจนะคะ ในสิ่งที่เป็นท่านหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อท่านมรณภาพก็ยังมีพินัยกรรมที่ทําให้คนรู้สึกว่าหูเป็นประสงที่มีภูมิทํามขั้นสูงจริงๆอืมไม่ยึดติดไม่อะไรอวรแล้วก็แก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ข้างหลังไว้ด้วยจากการที่อมอบร่างของท่านให้กับทางสถาบันทางการแพทย์ที่ขอนแก่นแล้วก็จากการที่ กำหนดให้พิธีศพของท่านเรียบง่ายอย่างนี้เป็นตนน้นนะนะคะเรีบ้านอที่ท่านถามสองอย่างการบริจาคร่างเนี่ยบางคนที่ผ่านมาเขาไม่่อกล้าทํากันเท่าไหร่แต่เชื่อว่าต่อไปแน่น่าจะมีคนบริจาคตามท่านมากขึ้นนะคะ อ, อ, อะในมุมมองของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรเพราะบางคนก็ยังห่วงว่าแล้วท่านฉันจะไปเป็นคนเดิมๆง้เมื่อก่อนเคยสวยเงนี้ น, นะคะอ๋อค่ะคือคือตายไปแล้วก็จบแต่นั้นเอง ตายไปแล้วคือจบเนี่ยหมายความว่าร่างนี้มันก็เป็นร่างที่ไม่มีอินทรีย์แล้วเนี่ไม่มีชีวิตแล้ว เ, เพราะฉะนั้นจะทําอะไรล่ะเขาก็ไม่เก็บไว้เขาก็ฝังหรือไม่ก็เผาเขาก็จะไม่เก็บไว้ในบ้านนะีทีนี้<ะ>ในในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยนั้นมันยังไม่ได้มีการศึกษาแบบนี้<ะ>เพราะเขาก็จะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากร่างกายนี้ในทะี<ะ>่เหลือก็คือเผาซะหรือไม่ก็ทิ้งไว้ในป่าชาทีนี้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ประโยชน์จากร่างกายในการทําการศึกษาได้ แล้ว ก, ก็สามารถใช้ได้ดมาว่าไม่มีปัญหาท่านคะแล้วก็อย่างกับในครั้งพุทธการเนี่ยต่อการตายของแต่ละชีวิตเนี่ยพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสเอาไว้อย่างไรครับจะทํายังไงเมื่อตายไปแล้วอย่างนี้ไห<ท>มทีนี้สําหรับว่าอย่างกรณีของพระเจ้าจักรพรรดิหรือพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระประเจพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเขาเรียก บ, บุคคลที่ควรจะสร้างใจดีถวาย นะควรจะเอาอัฐิหรือเศษเหลือของร่างกายเนี่ยเก็บไว้ในเจดีย์เพื่ออะไรเพื่อที่คนอื่น ๆ, ๆเขามองมาทางเจดีย์นี้เห็นแล้วจะได้เกิดการระลึกถึงพอระลึกถึงแล้วก็จะไปสุคติโลกสวรรค์จิตใจของคนนั้นก็จะเป็นจิตใจที่ดีขึ้นมาค่ะ เ, เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าบอกว่ามีเศษที่ยังคงเหลือในร่างกายของท่านอยู่หลังจากที่ทําตามกระบวนการอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วมาสร้างเจดีย์ก็ จ่ไม่คนอื่นก็เรา ล, ลึกตืงนอันนี้ก็จะเป็นการดีมกันมาว่าค่ ะ, ะและในกรณีที่เกิดมีครูบาอาจารย์ได้มรณภาพไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการโพสต์ข้อความต่างๆแสดงความรู้สึก น, นะคะอย่างที่เหมาะสมที่สุดที่ควรสำหรับพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราจะต้องเขียนไปนะคะเพราะถ้าคนธรรมดาขอแสดงความเสียใจ อ, อย่างยิ่งกับ สงในลักษณะนี้เราควรจะแสดงออกเช่นไรด้วยคําพูดหรือการสื่อสารอย่างเงี้ยจึงจะเหมาะสมนะคะเอาอย่างพระพุทธเจ้ามรณภาพแล้วก็ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยได้แจ้งให้พิสุท์ทั้งหลายทราบก่อน3เดือนด้วยซ้ํา <c oughs> แล้วก็ในที่นั้นเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างมีความคิดว่ า, าจะทํำยังไงจะทําอะไรบูชาหรือจะพูดอย่างไรหรือจะเตรียมการยังไงอะไรต่างๆมีคน ค, คนคิดในหลายเรื่องหลายแบบพระพุทธเจ้าบอกให้แล้วว่า ควรจะต้องปฏิบัติบูบชาคือแทนที่ว่าจะทําเรื่องอะไรต่างๆบูชาหรือว่าใช้คําพูดยังไงในการที่จะยกย่องสรรเสริญอะไรก็ตามเถอะก็ควรจะปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติทําสมควรแก่ธรรมคือแสดงออกด้วยการปฏิบัติแต่ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติในทางคําสองพรพุทธเจ้าเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอยู่แล้วคือการปฏิบัติ ด, ด้วยกายวาจาหรือใจถ้าในทางวาจาการพูดอะไรที่ไม่สอเสียดไม่คำหยาบไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อ คําพูดตรงเนี้แล้วเราระลึกถึงจิตของท่านอย่างนี้ไม่เป็นการกระทําที่ดีเพราะฉะนั้นกว้างมากอยู่แล้วเร า, า จ, จะชักชวนกันในการสร้างบุญสร้างกุศ ล, ลให้ทานอันนี้ก็เป็นการแสดงการกระทําแสดงออกทางกายค่ะทางใจเราก็ตั้งจิตให้มีเมตตาระลึกถึงคุณงามความดีของท่านคําสอนของท่านอันนี้ก็ทางใจทําได้กว้างมากเลยหลยอย่า ง, าง<ะ>ที่ทํากันอยู่ขณะ น, นี้ในการที่เอาคําสอนของท่านทั้งที่มีเสียงบันทึกเอาไว้ เทคโนโลยีสมัยนี้บันทึกไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้มาถอดเป็นคำพูดเอามาเล่าอันนี้ก็ถือว่าได้ระลึกถึงถูกต้องในการทำดีทําชอบของท่านเอาไว้ใช่ใช่สามารถทำได้ทดแทนคือเหมือนกับคนก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมในงานศพของท่านกันสักเท่าไหร่ใชคะหรือบางคนก็ดิ้นรนขนขวายไป ก็ได้ยินว่าที่มหาวิทยาลัยนี่ก็คลาค่ําไปด้วยผู้คนที่อยากจะไปกราบท่านเป็นครั้งสุดท้ายนั่นนะคะเยอะมากเลยอ mm hmm. ไปไม่ได้นี่ก็อยู่กับบ้านทําจิตทาตัวอย่างที่ท่านว่าได้ใช่ใช่ใใก็คือเป็นลักษณะองการบูชาคุณไปกราบในเพื่ออะไระก็เพื่อบูชาท่านใช่ไหมออตอนชุวงเป็นอยู่อาจจะได้เคยไปอาตอนเสียไปแล้วจากไปแล้วก็อยากจะบูชา ก, ก็บูชาด้วยในรูปแบบอย่างที่ว่านี้ได้คด้วยกา ร, <ต>ร บ, บ, บูชาการพูดถึง อ่าพระสมที่เก่งๆเนี่ยนะคะก็เห็นเขาพูดกันหลายๆ ล, ลักษณะแต่มีลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างหลวงพ่อคูนเนี่ยกคนจะอ่ากล่าวขวัญท่านมานานแล้วว่าท่านเป็นพระเหมือนเกจิอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอ่าความสามารถในการช่วยอย่างโน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่นเห็นเขาส่งกันมาเนี่ยเ้าคงจะหมายถึงจากการที่ ร่างของหลวงพ่อเนี่ยได้ไปอยู่ที่ขอนแก่นเนี่นะคะก็ ม, มีคนเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเมฆคล้ายๆพระกำลังนั่งสมาธิอย่างการกล่าวขวัญในลักษณะนี้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติบูบบชาไหมคะท่านคะนิมิอะไรต่างๆที่บุคคลเห็นเนี่ยบางทีก็อาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ต่อมาก็ไม่ทราบเหมือนกันน ะ, ะว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงแค่ว่าเขาคิดเอาเองทีนี้ว่าในการที่กล่าวคุณงามความดีที่จับต้องได้ ที่ท่านได้เคยทำมาอ น, นี้จะเป็นรูปธรรมมากกว่าอันนี้จะเป็นลักษณะวาจาที่มีหลักฐานที่อ้างอิงอันนี้มันถึงจะเหมาะสมส ม, มาว่านะค่ะคือถ้าถ้าเรามีหลักฐานที่อ้างอิงแน่นอนว่าท่านเคยพูดเคยทําอย่างนี้นะตรงนี้ตรงนี้เอออันนี้ก็เป็นวาจาที่เป็นสมาวาจามีหลักฐานอ้างอิงแน่นอนค่ะอ่าดิฉันสังเกตลักษณะการพูดของหลวงพ่อคูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านพูดอะไรค่อนข้างพื้นๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าอ่าพิสดารพันลึกเหมือนกับว่า ท่านก็ใช้เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์พูดกับลูกศิษย์นะคะ mm hmm. คือเหมือนกับจะพยายามบอกว่าอให้ทําทําดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแล้วกันแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดเป็นพุทธพจน์ตรงๆแต่คําพูดของท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าแปลมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนะคะชเช่นให้ยึดมั่นถือมั่นในยอย่างกับที่มรณาภาพไปแล้วเนี่ยอย่าไม่ยุ่งกับร่างของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอื mm hmm. แน่นอนว่าสาวกเนี่ยคือผู้ฟังคําสอนใช่ไหมผู้ฟังคําสอนของพุทธะผู้ฟังคําสอนของพรักวะก็คือภควโตสาวกะสังโกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แล้วท่านก็ปฏิบัติดีประบชอบในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการที่ท่านสื่อสารมาก็ต้องเป็นในแนวทางคำสอนของพุทธเจ้าแน่นอนอันนี้เรา expect ได้เลยแล้วเราก็ควรทําอย่างนั้นเพราะว่าไอ้เรื่องพื้นพื้นเนี่ยแหละคุณโยมติวที่มันพลาดกันเรื่องการบางทีเราคิดเผลอคิดไปในเรื่องไม่ดีแล้วครูบาอาจารย์ก็จะคอยเตือนในเรื่องที่เป็นพื้นพื้นนี่แหละ ที่กคอยเป็นกัลยาณมิตรคอยเตือนเราในเรื่องที่เราจะต้องแบบทําให้ได้ตั้งให้ได้เพราะว่าถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะล้มคลืนได้อันนี้เรื่องสําคัญเลยพื้นฐานเนี่ยอืมค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคนก็จะตั้งข้อสังเกตเหนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์มรณภาพกันหลายท่านเหลือเกินหรือว่าหลายรูปเหลือเกิน ก็ร่วงร่นกันไปนะค่ะบางคนก็เลยหวั่นไหวมันจะเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกว่าก็ธรรมดาคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็ต้องอาจจะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้อันนี้มันเป็นเทวทูตอยู่แล้วให้เราเห็นเทวทูตป็นั้นความที่หวั่นไหวเกิดขึ้นในใจของเราเนี้ยควรจะต้องเป็นแต่พอเรามีรู้สึกความหวั่นไหวความสั่นสะเทือนแล้วเราก็ทําความดีให้มันให้มันมากอะให้มันดีขึ้น ถ้ายังมีอากุศลใดๆก็รีบละเสียอันนี้เป็นลนักษณะมรณสติอยู่แล้วถ้าเราไม่หวั่นไหวคุณมีปิติปราโมทย์อยู่ได้้คุณก็ทรงตรงนั้นไว้ให้ดีตามศึกษาในกุศณธรรมนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปค่ะยังที่สุดท้ายแล้วนะคะท่านคะในเมื่อเราก็พูดถึงความตายกันเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> มีพุทธพจน์ของพระพุทธองค์นะคะที่ได้ตรัสเป็นอนุสติเกี่ยวกับเรื่องความตาย <c oughs> ซึ่งเราควรที่จะทราบเอาไว้ เพื่อจะมาใช้ในกรณีที่เราต้องสัมผัสกับความตายกันอยู่ในทุกๆวันหรือว่าแม้แต่กระทั่งเตรียมตัวในการที่จะสัมผัสกับความตายของตัวเองที่คืบคลานเข้ามาทุกขณะ อ, อย่างไรกัน่ะพระราชาได้ตรัสถึงเรื่องของเทวทูตมีสองจุดที่เรื่องของความตายเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องของเทวทูแตแถ้าเราเคยเห็นคนที่ตายศพเน่าหรือว่าคนที่เขาเผาแล้วเนี่ยให้ระลึกถึงให้ดีว่า คนเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ลงพนจากความตายไปได้ควรแท้ที่เราจะทำความเปลี่ยนอันนี้คือเรื่องของเทวทูตในเรื่องที่2เรื่องของบารณสตนะิคือให้คิดว่าอกุนอื่นตาย เ, าเหตุปัจจัยแห่งความตายของเราก็จะมีมากนะแก่บ้างหกล้มบ้างอะไรต่างๆบ้างพอเราตายไปแล้วอันตรายจะมีแก่เรานะถ้าบอกว่าเรายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะรีบละอกุศลนี้ให้ได้ถ้าอากุศลไม่มี เราทำสิ่งที่เป็นกุศลได้แล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายยิ่งขึ้นไปก็จะมี2อนัยยะตรงนี้เรื่องของความตายนะคะค่ะก็กราบน้อมักการขอบพระคุณท่านในวันนี้นะคะเจริญพรกราบน้อมสักการค่ะติดตามรับฟังพระมหาภัยบุญอภิปุโนได้เป็นประจําทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนที่ดิฉันจะมาร่วมสนทนาด้วยนั้นจะเป็นวันพฤหสัสบดีและวันศุกร์ที่สถานีวิทีุครอบครัวขา่าวเ m ็มร้อยห แห่งนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ผมได้ข้อธรรมไปเยอะแยะแต่เพื่นคิดว่ า, าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นมาเราพยายามเอาธรรมะเข้าไปจับให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และถ้าฟังรายการบ่อยๆดิฉันเองก็จับจุดนะคะว่ า, าท่านเทบูลจะใช้อริยมรรคมีองค์แปดเข้ามาในการที่ตอบปัญหาทั้งนั้นเลย ก็เท่ากับว่าถ้าเราคล่องแคล่วในเรื่องของมักแปนะคะว่าเป็นอย่างไรเราก็จะหยิบฉ่วยได้ถูกเอาเรื่องแค่คิดดีเอาไว้ก่อนนะคะคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยสัมมาสังกัปะเริ่มต้นเรามีกายวาจาใจที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกับการพยายามเบียดเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เบื้องต้นในการที่เราจะมีผัสสะกับเรื่องรอบๆตัว ยังเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วก็จะค่อยๆคืคีคลานเข้ามามาองค์อื่นๆต่อไปใน8มารคนี้นะคะวันนี้เราก็ลาทพื่ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดิฉันสรนสินีนาภงค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการในรายการชื่อสรนสินีสนทนาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพุกทวดสวัสดีค่ะ